ยาดนมาหายสิและพร้อมให่ส <s departure> ิ่งใดให้แก่เขาตนนั้นเพระนั่นเป็นเลยแต่้นนั้นยังไพอเพราะน้ำบนี้หายสำคัญให้จิตใจตขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมเือเบียดก่อนทุกเรื่องานั้ปส่วนถ้าเป็นม้จิดใจมันไม่พุเลยอีกเป็จุดสำคัญส่นตางนึ่งผูตนท่านจึงเรีย่ เป็นพุทาเป็นสุทธารรมที่เป็นสุขสมอัุตลาธรรมาทราที่เป็นอัคคุสมคือมนโตขึ้นแลงนั่นเี่เป็นสุขสมไม่เป็ม่เป็นบลนไม่เป็นสุขสมจะเรียกว่าเป็นอัคคุสมก็ไ้เข้าใจว่าบุญธํามน่ยชอบใจีใจเพินใจอื่คนตลาดนั้นหมาเมื่อคนตลาดพร้อมเมื่อใดนั่นแหละสิสุขสม ต้นหนวดตัวธรรมดาตัวแคบตัวสมมุ ต, ติอย่างเมาขนานเมื่อตะกี้เวลาตาข่ายได้ดวงตาเห็นธรรถ้ามีส่วแล้วจะได้ดวงตาเหนรซึ่งวันนี้ธารมากกจะรู้ให้ฟังเรื่องดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่เราจะไปเห็นสีแสงนิงว้วดวงจี้พระพุทธรูกอันนี้มีนอกเ ถ้าโยนคมก็เห็นโยงดังตู้โยนคำเนี่ยคือดักพัพพิโรตุทุตระ ouais. see, ท, ท, ท like that, ีตรากติวอน์พ <sch> ร <usters> <king> ้อมปจจิวอร์งอกขึ้นในขับทำได้สุการทำทเนักจะทาทางภายนอกเราลองเห็นตัวซอสละพาครับจ็ทำภายนอรไหมนั่นเป็นขันนักตัวซออเป็นอะไรนะเจ้าซอสไม่ใกักครับไม่จะพูดอย่างนี้น่ตัวซอส มันมเราสักหลายครั้งผู้ยอมเข้าจแบบธรรมะอย่างที่ยอมทําเนี่ยคือตัวโยอมเนี่ยเป็นธรรมะต้องเห็นเราการทําตามโพูดการคุดเนี่ยเปธรรมะต้องเห็นผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นแล้วมันเนี่ยลืมโตเหลงโต้ถ้าเป็นเจ้าท่านสอนเี่ยอย่าลืมโตอย่าหลงโตภาษาบ้านเราถ้าเป็นภาษาธรรมะเนี่ยมมไม่ฮะควรไม่เลือกซึงอันนี้มันเป็นของจริงทำดูทีทำถัว ทำไม่ดีทำไม่ตัวตัวผลโกรธขับดังนั้นจะราพนาะเอาพระนิคารับเทล่นเดียวกันมันเป็นคำทำเดียวกันที่ว่าเห็นธรรมะเนี่ยผู้ชมพูไม่ชีอเหนีอให้ข้าพเจ้าได้พระนิคารในชิวิตอันเวล า, าใกล้ใ ก, เ ก, กาาเเ้เรื่องปัจจุบันกนี้วือกับนี้วก็เหมือนขนาดท่ว่าใกล้ถึงตาถึงทำนั่นเองเมื่อเห็นทำแล้วพระอิคารก็ไหลมัน เมื Andrew, security, ่อพรมนิทานไหลมาแล้วสันติหรความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจอันนั้นก็เรียกว่านิทานคำว่านิทานนีจะเรียกว่าสันติความสงบก็ได้หรือความสงบเฉยๆก็ได้หรือจะว่านิทานก็ได้หรือจะว่าเห็นธรรมก็ได้ในเด็กดังนั้นความสงบนี่แหละคือนิทานความสงบน่แะคือเห็นธรรมจึงว่าให้เราทุกคนผู้ที่มีสภาวะมาพลย พระพุทธะก็สื่อมเแต่งพร้อมให้ไปจีรอเนี่ยให้เข้าเป็นแม่แม่กับสิ่งนั้อันพระพุทธลูตนี้มันเป็นวัตถุฐายมากเป็นพระนิมยสมบูรณแบบแต่ว่าพระพุทธลูตนี่เป็นวัตถุที่ทุกคนควรเคารพนับถือท่านถ้าไม่มีแล้วก็เอาตัวของินหรือตัวของบุคคลทุกคนเนของ ดังนั้นเพราะนั้นต้องอยู่ทุกคนไม่้องอยู่ตามถนนถนทางนอนอยู่อยางนลขาเรกั น, นี้ไม่ขยายอันนี้เป็นมัตตุแต่พระจนนั้นอ่ะมีก็ไปไหนมาไปถนนถนนทางกอได้พอดูพูมาถึงพระกาจะพูดเรื่องคระให้ฟังอีกพระเนี่ยมาจะมาได้ยินพอม่เลือกครูบาอาจารย์มาให้ฟังเมื่อพุทธเจ้านวะว่องไปได้ห้าปันสีเนี่ยจะเป็นสมครบ คณะผู้นี่ครับไม e. ่มีเทวดาองค์หนึ่งมาติดหลักชี้ไม่ให้มีแสงสว่างไหนจก็บความเก็บเงนคนไม่รู้ทิศทางจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้คนไม่รู้ทิศทางเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องมีวันทุกข์ทรมานอดยาหรืออดหิวอะไรก็ว่าได้เพราะอดอยากนี่ยแบอยากไม่ได้กินหิวก็ไม่ได้กินอะเมื่อเป็น่นนั้นได้เกบความเกบเนเนี่ยมีพระพุทธโลกสง์ ลูกสององล้อยองพันองกระต่าโดยเมืองไทยทั้งหมดเลยลูกวัดอยู่ในประเทศินเดียกรต่ายประเทศไหนก็ตามพระพุทธโลกเนี่ยพุทธนะพระพุทธโลกปติณห์พรเนี่ยจะเหาะกันมารวมกันที่ออะไรที่หนึ่งจะเหาะไปรวมกันพอเดินไปถึงที่จุดหมายปลายทางที่รวมตัวกันนัดกันว่าไปรวมกันที่นั้นอย่างโยม น, นัดเนาะปันมาวัดสนามไหนอัปพุทธโลกมาหลายา น, นี้ มาถึงวัสนานมันสมมติว่าอนีน้พระพุทโลกนั่นแหละที่เป็นวัตถุอ น, นี้จะแตกจะลายไปหมดเป็นไปไปเป็นฝุ่นไปแต่ตัวจุดวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นจะเกาะอยู่กับพระพุทโลกนี้นแต่ละโควงนั้นเขาสมัยนั้นแต่ดวงจุดวิญญาณของพระพุทธเจ้าจะเกาะยู่กับพระพุทโลกนั้นเข่ากระเทงานั้ น, นแ่ละจะรวมตัวกันเข้าเป็นรูปของเจ้าชายพระสัต ร, ตรุดมาขึ้น เมื่อเป็นโลกพระเจ้าประมาณุึิตเป็นรลกพระพุทธเจ้าซึ่งอีกพักนเมื่อเป็นรลปพระพุทธเจ้ า, า, าก็จะแบบเปิดอย่างที่ยจะเปิดที่มันฝุดมืเนยพระพุทธเจ้าก็จะเปิดแล้วแสงสว่างก็ส่องให้มาในโลกโลกจะมองเห็นทุกทางไปได้มาได้เมื่อคนใดได้จะฟังธรรมะในระยะเจ็ดวันนั่นแหละพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมะอย่า ง, างนี้ละปัจจุนที่มีปัญญา ได้ดวงตาเห็นคำเขาจบขั้วเมื่อว่าในรายของเราในธาตุสีสันห้าอนนีันนะ1ิบสองติงียี่อันนี้จนะหกอันนี้ต้านสิบสอง1้าสิบแปดิงยสองอันญาติสืปิัติจะเมนกระบาดเหล่านี้รูกจากขบ้วทนแล้วบบนี้ก็เทื่อวเาเป็นาปในขณะที่เขาเข้าเจ้ากำลังแสดงธรรมะยังไง คนใดที่มีปัญญาลดน้อยลงไปพอได้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นจะมาเกิดในมนุษย์จิตหนึ่นอกจากนั้นก็เป็นพระักติพาพระักติพาลนั้นจะมาจากสามครั้งเมื่พระโสดานั้นไม่เกิดจบครั้งจะมาเกิดอีกนหนึ่แต่พระโสดาเอกรกตีตีนี้เป็นพระโสดาในกานเกิดตัวกางแต่พระโสดาเอกระตีตนีเขากับพระอนาคามี โยนรถคาดเท่ากันจะมาเกิดเนมนุษย์กครั้งเดียวคนนีโยนมาพลายแข่งขับ่านวันนี้ <_ S 1> ก็อยากให้โยนทุกอ่ะเอจิดใจที่มันตกสติทาํานังรงบเอ๊จิตใจมันสะงับโดยทะบบโอเปลขาท่าะบบโอเปิลขาก็เสถเโยนนั่งอยู่ในขณะนี้วัแรกโยนจะลูกทุก่ น, นั่นงขัดเือนั่งงานนานโยนจาไม่ลุกดดตัววะน่งขัดทสื้อลุกนมมือเลย จิตหงจากกระหายลูก hmm. น mm ี่เขเรียกว่าอุจจารานลยลักษณะนี่คนเรียกว่นิานขึ้นไหมครับดังนั้นเราจะพยายามทำนิทานให้มันโค้งขึ้นกค้งขึ้นเรืองยาวขึ้นยาวขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าจนครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยนิทานในปัจจุบันพบนย่างที่เยิ่มจากนหการเอาสวรรค์นิทานนั้น อยาขอแม่เห็นว่าเราทำให้ถุกให้ตรงพราเอาทาไม่ถูกไม่ตรงเราจะไปอ้อนวอนขอร้องอย่างสาสนาอื่นๆนี้อย่งางเขาหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพุทธงาสนานี้ไม่มีการขอร้องอ้อนวอนพุกธ์างนานี้ต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองดังนั้นอาตามาจึงเป็นคนเล่าให้ลู้จักลึกซึ้งเข้าไปหาตัวเองคือคามั้นเอง ธรเมืเวลาเราทำอะไรก็องอรูปนี้ไปครับทําเป็นพิธีางต้องเอารู ป, ปราานี้ครับส่วนท่านทั้งกายกายทางวาจากัวาจาทางใจทุกตัวใจัวนนั้นก็รยว่เป็นพระแล้วเห็นอ้อนทั้งกาทั้งสามเลยว่าะนันะสามอย่างนี่เขาเลยว่ายกันะสามอย่างส่วนทราก็ใช้รูปพนนไม่ได้แทไม่ได้จริงๆจะแทไปที่ไหนได้ เป็นทองก็เป็นอย่างนี้เป็นไม้เป็นศุษย์เนปุณก็เป็นอย่างนี้ส่วนบุคคลค่ะได้ที่จะเปนรวมกนันที่ไหนก็ได้ต้องกดลักษะสงโครงญาตครงใดแสดงธรรมะให้เป็นเนื้อหาเป็นสุกราชิฐามบ้างเป็นธรรมะที่ถามบ้างคนผู้ที่ยังไม่มีปัญญาจำเปงนต้องฟังเรื่องศุกราฐานคนใดที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดดีแล้วต้องฟังธรรมที่ฐานล้วนๆอันนี้ก็พูดกันเรื่อง สูดสัเดนเรืจองหนึงอย่างที่โยมต้องการในขณะนี้ห า, ากว่าโยมนู้จักลุดที่จักเอาไปใช้กับชีวิตของโ ย, ยมแล้วนั่นแหละโยมจะได้เข้าใกล้สุดกับพระพทธเจ้าพระพุทธเจ้าในประเทศจินเดียโนนตายแต่แลวได้สองพันห้าร้อยยี่สิบอ็ต่หอาจจะขวนั่นก็ได้เป็นอย่างน้เคยได้ยินบ้างไหมแต่ไหมพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท้ากรุ๊กชอบพระ พ, พ, ระ พ, พ, ระพุทธเจ้า เมื่อไพระพุทธเจ้าไปบวชับพระพุทธเจ้าเมื่อไปเรียกพระพุทธเจ้าแล้วพอไม่ทําทวรัตไปดูอาจะโลกสมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะว่าแม่จะว่าอย่างไงว่าโอ้ที่ดาเนี่ยว่ายังอย่างนีว่าังและว่ายังไงที่พระปักกาพระพุทธเจ้าด่าพระกนีิศแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาด้วยคนที่น่าดาด้กยคนเัือนพระออยากให้พระกักกาลกัดเนื้กับตัวถามว่านพระก เ้าใจเป็นพระพิฆาตสิแล้วกระลิกจะบอกว่าเป็นเชไรมันไม่ใช่พระพิฆาตัวครับโูกอนิจจตายเป็นไม่ตายสิเพราะว่ากระลิกตายเป็นไม่ตายสิอเนีจตายแล้เน่าเหมือนเปนเลยเน่าเหมือนสิเพราะว่ากระลิกตายแล้วเน่าเหมือนเปนเลยเน่าเหมือนก็เหมือนตายในจัตุรัสแต่พระพิฆาจริงๆไม่ใช่อันนี้ถ้าหาเพราะว่ากระลิกต้องการพระเจ้าจริงจรงก็มันเข้ามาศึกษาที่ตัวเองเพราะว่ากระลิกได้ศึกก็แล้วกัน เอรู้จากการทำการพูดการคิาเดียกว่าได้ร่างกายเห็นธรรมะแสพลังธ่ังเข้าไปอีกนะเนี่ยรู้หลักธณะสภาพปัญ า, าว่าจิตใจมั น, มมมม น, ด, น ด, ดีใจเสียใจรู้รู้จักลงไปสภาพปัญหาว่าไม่ีใจไม้เสียใจเดี๋ยนก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าในูำคนทุกคนไม่แยกเนลยแล้วแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของลูกอันนี้เนี่ย จะทําให้พระพุทเจ้าเกิดขึ hmm.. ้นบ้างไหมหรือจะไม่ทำให้เกิดขึ้นอันนั้นมันคือมีสุิทุกิ์ช่วยประจุคนหรือท่านมีทานแต่เพียงเดียวไหมสมมติเขาอ่ะตัวบุคคลที่จะย่อบของรูกแม่จะทําให้มีทานเกิดขึ้นบ้างไหมหรือจะไม่ทําให้เกิดขึ้นอันั้นมันจป็นสิทธิ์ช่วยุคคลผู้ที่ะเป็าย่อบทแบนั้นแล้วจะทําให้มันมีความสงบขันติได้ไัมหรือจะไม่ทําห้มันขึ้นใกับบุคคลคนนั้น ดังนั้นญาตโยมาถวายขัาทหารพร้อมทั้งพระอุทธรูปแม่ไทรจวรบริหารต่างๆให้แต่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่มีอะไรเพ่จะเสนอเสนอตอบแทนบุญคุณของญาโยมมีสิ่งเดียวคือคนผู้ที่พระเป็นจาทสอนอล่ะจงรู้ตัวเองศึกษาตัวเองเมื่อรู้ตัวเองศึกษาตัวเองแล้วก็จักับพระพุทธเจ้ากบพระธรรมกบพระสงฆ์ คำว่าพระพุทธคาพระสงฆ์นั่งสงฆ์พระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้รู้ดีดีชอบคนใดรู้ดีดีชอบก็เป็นพระพุทธเจ้าพระคำก็บหมายถึงการประทับหรือคาสอนของคำมันแหละบัี้ั้าพระสงคือบุคคลผู้ที่ประฏิบัติตามพระทำด้วยในนั่งเนื้ออยู่หากว่ามีผู้ประพัติดีปฏิบัติ้อบตามพระ้วยใอยู่นั้นมักเล็นิจาก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยเขาไปเรียกำตัดไว้บัดนี้ถ้าหา พง์หรือญาติโยมอู่ดยชอแล้วพระอรหันต์ก็จะไม่วางจากโลกนี้โยมลองดูไปที่หลักเสนนี้เป็นยังไงจิตใจเราหุดหงบไหมฟังพระเทศจิตใจเราสะบายไหมหรือจิตใจเราสงบไหอันนั้นก็เยกว่ว<ม>่าอยู่โดยขอบพออยู่โดยสงบพระอรหันต์จะไม่วางจากโลกนี้พระอรหันต์นันไม่ได้หมายถึงผลัก<ๆ>ไปส่ปอคนนั้นคนนี้หมายถึงผลเสื่ เมื่อหมือนตัวเราแล้วกับภาพสุดท้ายว่าจุดใจของเราเมื่อยังไม่รู้ธรรมะก็เหมือนกันคัะบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมะเรียกว่าผู้กุศลทำไมงั้นบัดนี้เมื่อเรามาฟังธรรมะจากบุคคลผู้ที่แมววิธีให้เข้าถึงตัวส่าจะทำเราก็มีใจมีจิตใจส่าดสว่างสงบเขึ้นเดียวกันก็มองเห็นสัตว์เท่าเเขาอย่างไม่รู้แต่เมื่อเขานี้เขาก็จะเหมือนกันกับเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า สภาพภาวะดังเดิมเหมือนกันทั้งหมดจะเป็นคนไทยหรือคนอินเดียก็ตด้เมื่อยังไม่รู้ก็กล้าไปแคกนั้นแหละต่อมาบัด น, นี้พระเจ้าแบอบกว่ า, ากับท่างหลายเราจะถากโคเป็นผู้ไปถึงแล้วแหวงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเพื่อนหลายให้พวกเพื่อททางไหนตรงและทิศปฏิบัติตามอย่างเราจะถากโคนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจ แนบซึ้งแน่นอนโยกับสินั้นเหมือนกับพราคาถพบทนี้แล้วบัดนี้เหล่ามีกระตาัดขนาดอ่อนวอนขอแล้วการกระทำของเราเนี่ไม่ทําเลยอะไรนี่เลววะพระเจ้าบกาาอกว่าทุกศาสนาคําสอนของพระคถาบทนั้นไม่มีสิ่งใดที่ขอร้องอ้อนวอไนไห้ต้องทำเต็มแต่เราไปสงสยัยคํำพูดอยู่คำหนึ่งล่าตัดทั้งหลายจงส่วนแห่งบุญผู้ข้าพระเจ้าได้กระทำลงแล้วในบัดนี้ เราสงสัยทางนี้เราจึงมีการตรวจน้าําต้อนร้อนขอรับแค่ความหมายอันนี้มันลึกแล้วแต่คน ม, มีปัญญาสั่งสบายคนที่ไม่มีปัญญาสั่งแบบลึก น, นักหน่อยท่าน ม, มีควมหมายอย่างนี้ท่านบอกว่าทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราจะประพฤเื่เราอย่างนี้มันเข้าบจจงมีส่วนแห่งบุญทุกข้าพเจ้าได้กระทําลงไปแล้วในเด็กเพราะว่าเราจะหาพบ ได้ไปทํามาแล้วเชิญแล้วและจึงให้พระเพธิ์ไหนมาทำอย่างจะมีส่วนแบ่งผลหรือจะรู้จะเห็นอย่างพระประภจนั้นไม่ใช่จะไปทองข่าเอาแล้วข้าพระเจ้าขอเป็นธรรมนัติพยาหรือญาติธรรมหรือเป็นสาวอันนั้นเป็ น, น, นาทายร้องขอเอาถ้าพระเจ้าท่านสอนให้เราได้ประพึกปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์นั้นจะมีส่วนแบ่งกินแต่ไม่ใช่พระองค์จะส่วนแบ่งคือลูกของเราเนี่เหมือนกันลูกศริษฐ์ปรจ้ า, ฐา จิตใจของเราเนี่ก็เห็นกันกับจิตใจของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอาศัยการฝึกอาศัยการดูอาศัยการเห็นแจ้งฟังไปทําดูเมื่อใเห็นแจ้งพับเข้ามาในจิตใจนอกจากปัจะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพักสงก็ไม่มีอะไรจะเสนอสนองตอบแทนได้เมื่อคุณค่าของญาติโยมมาทําถวายแบบนี้ก็ มีาคาสูงขอสมควรแต่ว่าคำพูดของอาตมาพูดนี้นำเอาคำพูดคำสอนของ เ, เกษเจ้านั้นคงจะมีราคาของิึงนี้ไยเพราะว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ต้องทำเองชีวิตของคนกินไม่มีตลาดขาย้ายดียสุดนี่วัน้ายดียสุดนี่วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันพักเป็นวันเสาร์เป็นวันพักให้ญาติคนของตนเนพักเข้าถึงปฏิบัติธรรม ชีวิตของเราที่ไม่เคยมี้พบไมาพบนี้รู้จักนี้นตรงทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2520นตรงกับวันแรง8เดือน6 พวกเราสาวพุทธที่เคยถือพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นหัวใจของคนไทยคนไทยส่วนมากนึกถือพุทธศาสนาไม่ค่อยตรงกันเพราะคนเห็นไม่ตรงกันในว่านานาที่ทางจิใจคนมันไม่เหมือนกันก็เมื่อความจริงเ้วถ้าหากว่า เราศึกษาหลักพุทธศาสนาหลัจริงๆแล้วต้องตรงครับจะเป็นข้าหลงของเจ้าก็ต้องศึกษาธรรมะอันเดียวครับและญาติโยมก็ต้องศึกษาธรรมะอันเดียวครับคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าทม่มีสองครับมีอันเดียวเรื่องสองเรื่องสามงานทำทิพย์อย่างนั้นทิพย์อย่างนี้อันนั้นเป็ น, นกษาสปะนหน้าทิพย์ ทำให้มันสวยงามขึ้นมาอย่างพอดีแต่ความจริงแล้วพุทธศาสนาสอนจริงๆิท่านสอนนี่คือที่ให้คนเลื่อนความทุกข์ออกจากตัวเราหรือออกจากจิตใจทุกคนเกิดมาแล้วในที่นี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันทำบุญเรื่องการพาภานกิจวันนี้ทุกคนเกิดมาเนะี่ย ไม่ต้องการควรตายแ ต, นะต่คนตายนั้นทาไมมันหนีในคนเขาเรื่องอะไรเลยมาทุกคนไม่ซ่องการทั้หแต่ทุกคนก็ต้องเดินไปสู่กาตายนะนอันนี้พระพุทธเจ้าท่สอนทุกคนต้องควรศึกษาหลักนี้ให้รู้ให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทกลัวเกิดถ้าไม่กลัวตายแต่คนเรากลัวตาย สมัยหนึ่งจะมาไปสแสดงธรรมที่จังหวัดบริรัมย์ในงานศิลปคนไปฟังเทศในงานศิลป์ก็มากน้อยก็ต้องเป็นร้อยๆทีดเดียวยังน้อยนะเป็นหลายร้อ ย, อ ย, ยถามหโยมมาทำบุญวันนี้ต้องการอะไรต้องการความสุขใช่ไหมก็เป็นสียงเดียวกันต้องการสวรรค์ใช่ไหมเป็นเสียงเดียวกันต่อเป็นต้องการนิพพานใช่ไหมเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นคนทุกคนต้องการแต่ความสุขความเลริญของก้วาวหน้าบันทึกฐานอุกในทางตรงกันข้ามโยมมาเนี่ใครต้องการความตายไม่มีใครเป็นเดียวตป็นเสียงเดียวกันทนั้นไม่ต้องการความตายแล้วใครต้องการความสุขไม่มีใครทัง้งหมดต้องการความสุขก็ไม่ต้องกอันนี้แสดงว่าคนไถยหรือการเป็นมนุกย์ แต่เข้าใจเป็นบางอย่างก็ดีมากแล้วเลยถ้าพระเจ้าท่านปลุกเสกความตายไม่ต้องกลัวทําไมจึงโคจรนั้นก็เพราะว่าท่านให้ศึกษาชีวิตของเราคนเราทุกคนต้องมีชีวิตชีวิตจะอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจพาวไดก็เรียกว่าหมดชีวิตไปายนั้นดังนั้นการศึกษาชีวิตของเรานนั้ควรศึกษาและปฏิบัติ ตอนเมื่อเรายังมีลมหายใจอยูในตัวนี้เราจะไปคอยรอเอาไว้ ว, วันพรุ่งนี้หรือ ว, วันหลังวันต่อไปข้างหน้าเราจึงจะศึกษาเรื่องชีวิตของเราอันนั้นเป็นการเข้าใจติดดังนั้นการเผยข้อความาสัญญาจึงไม่เหมือนกันเลคนที่ตายแต่เรื่ เ, เ, เ, เมือม่อว่ า, าเรามาทาบุญหากันนะคิวันเี้นายแต่คนนั่งขาไม่ต้องมันตายแต่มันไม่ดังนั้นพระพุทธเจ้ามีวิธี ที่จะนํามาเล่าสู่กันในวันนี้เยเกี้ที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องตาย <c oughs> ท่านสอนไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายเกิดเป็นคนก็ตายอย่างคนเล ย, ยเกิดเป็นสักกตยยสว์ก็ต้องตายอย่างสัตว์เกิดเป็นเทวดาก็ต้องตายอย่างเทวดาเกิดเป็นพระินทร์พระผมก็ต้องตายอย่างพระินทร์พรผตู้ไม่เกิดและไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนผมทุกเพศทุกสันทุกวัยจะเป็น คนผู้ที่ยากจนก็ศึกษาได้เป็นคนที่ผู้ลํารวยมีเงินมือมากมาก็ศึกษาได้เชเดียวเันและคนที่เรียนหนังสือมากๆได้ปริยาทีปริญาโธปริญาถือหลายปริญาถือก็ศึกษาเชเดียวเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือใม่ได้กศึกษาได้เรื่องชีวิตเราดังนั้นชีวิตสิ่งมีค่ามีราคามากต่อเมื่อเราเข้าใจ คนเราทุกคนตัวของอาตมาเอกรุ่นเดียวนี้ชอบลืมตัวเองภาษาธรรมะเรียก่โมหะาษ า, าบ้านเร า, เราลืมตัวหลงตัวเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ก็อยากถามโยมทุกคนที่ถามทุกคนจริงใจโยมเขาโตมกมเขาโกรธ ไ, ไสวยไหมไ ม, ไม่สวยชอบที่โปรด ไม่ อ, อบแต่บางข้าง ม, มันจำเป็นมันจำเป็นจำเป็นเขาโสมันอยู่ที่ไหนโสมนโภคนี่หลักพุทธศาสนาสอนเนี้เราจะทําบุญให้ทานรักาษาสิ่ทําสรมถานเจริญยิ่งศาสนากร ะ, งงะจะมารวมลงจุดนี้แหละจุดไม่ให้มันมีโสมโลกไม่ให้มันมีโสมโลกไม่ให้มีมโสมหมมลงเกิดขึ้นจากจิตใจแหละเมื่อเราทําบุญให้ทานมากแต่เรายังโตด โลกหลงศึกษาวิษยาเพื่อมนุษย์ด้วยอจินั้นยังไม่ได้เป็นบุตยังไม่เป็นอะรทั้งสิ้นเท่าไหร่หลักเทนีอันดีงาเขาเรียก ว, ว่าสิน้นธรรมแต่เราเป็นคนไทยศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราต้องศึกษามาตั้งแต่ต้นๆ้นเว่าสินานสา้นธรรมเราทานรักษาสิ้นเจริญสมาธิศัสนาไม่ใช่ชื่อของมันชืน่ อ, อ, อ, อตัวจริงแล้วคนตัวบาปกัวตายเกลี้องการคลุมเกลื่อน ความใจมันความจุแต่เราเคยเห็นรู้ไหมบาปคืออะไรบุญคืออะไรเคยรู้ไมไม่เคยรู้แต่ดชื่อม เ, เ, เพียงแต่ชื่อมันเท่านั้นเองเราก็เลยไปติดชื่อมันเลยไม่รู้ของจริงเนี่ยที่อาจารมาพูดของจริงวันนี้ขาด จ, จะหัดใจเป็นบางสนเบิกก็คนธรรมดาต้องพูดความจริงเพราะหนีความจริงไปได้เมื่อไม่พูดความจริงเราสำหรับผ ออกหลวง ด, ด, ด, ด, ดังนั้นเรื่องความโสดควมโสดคมหลวงนี่ตอนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราหลงตัวลืมตัวอาขาธรรมะเรียกโมหะความจริงแล้วโมหไมมโ ะ, โะไม่มีโกตะโลภะไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวความสื่นตัวถ้าเรารู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เส ม, มอแล้วความหลวงไม่มี เมื่อคลมหลวงไม่มีโธสะโมหะโลภะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็เรียกว่าเป็นเทวดาเนี่ยเทวดาก็คือคนธรรมดานี่เองเข้าใจั้นคุณเขาเกี่ยวกัสมพุทธดินเรานี่แหละทุกคนทำได้เรื่องนี้เพราะเรื่องชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ทุกคนอาจมา คิดเองนเนี่ยแต่บางคนอาจจะมีให้จิตใจพอเล็กเล็กน้อยนะ้อยบางคนอาจจะทําให้ใจิตใจสะอาดเบาสบายใจอาจจะเป็นอย่างนั้นกวนี้นะบางคนจะเข้าใจวแบบ่าเเรานั่งยนต์ฟังเพลไม่เล็กแบบว่าเรานั่งอย่างไรปันนมืออย่างไรไม่รู้หรนะืออันนี้แสดงว่าสวรรค์และนิพานเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานัด้วย สวรรค์ก็มีอยู่ที่เรานี่แล้วนิพพานก็มีอยู่ที่เรานี่แล้แต่เราไม่ได้สนใจเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานในปัจจุบันนี้เราไปฟังเทศฟังธรรมจากพระเจ้าพระสงฆ์แสดงธรรมให้ฟังตายแล้วจึงจะเอาสวรรค์ตายแล้วจึงจะอาหมดเมื่อตายแล้วเราจะรู้พราะรสาตสวรรค์นิพพานได้อย่างไรตก็ิดงังนรกก็เช่นเดียวกันนึกว่าตายแล้วจึงจะไปตกนรก แล้คนตายแล้วมันจะโลเรื่องอะไรต้องเข้าใจว่าคนไทยในยพุทธศาสนาการศึกษาเราเรียนสมัยนี้ไม่เหมือนคั้งแต่สมัยก่อน ส, สมัยนี้มีการศึกษาเราเรียนรู้จักและกระพทำปฏิบัติรู้จักจิพูดให้ฟังอย่างที่ประทัดลัดเพราะว่าตั้งมาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่พูดเป็นคนจริงกับต่อแล้วบาปเขาคือทุกมันเอง ถ้าหากมีทุกในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเรามีบาปดังนั้นในขณะไหนเวลาใดอย่างที่ญาติโยมนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่มีทุกข์เลยที่้นั่นแหละคือบุญบุญนั่นมันเป็นซู้อของบุคคลที่ไม่มีทุกข์บาปนั้นมันเป็นซื้อขอบุคคลผู้ที่มีทุกข์ดังนั้นเราควรศึกษาและเรื่องชีวิตของเราจริงๆชีวิตที่จะซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ถาพรเจ้าสอนให้ทุกคนมีสิทธิเข้าไปแน่แน่นอยู่กับชีวิตที่ไม่มีพวก น, น, นั้นอันคอรดังห้พวกเราทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้ามาแน่แน่นอยู่กับชีวิตที่ไม่มีพุกนั้นเองที่ทําบุญวันนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังเสียงเป็ัดใจสัยสำคัญที่สันส้นๆเพราะว่าตัวอจะมาตัาเวลาน้อยเจะพอไม่ค่อยสบาย หายหมดไปแล้วพูดมากคงไม่ไปได้ไดังนั้นเมื่อบิดามาดาเราเนี่ยตายไปแล้วเราจะทํำยังไงก็ตัวเราเองได้รับมูลนิธส่ทอดถ้าเกิดเป็นคนก็เรียกว่าลูกคนถ้าเกิดสัตว์ก็เรียกลูกสัตว์ถ้าเกิดเป็นคนครเรกาก็ต้องทาตัวให้มันเป็นคนดีบางคนลูบล่างหน้าตาเป็นคนจิตใจอาจจะเป็นสนเอกสารเขาได้ หรือจิตใจอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบางคนลูกร่างหน้าตาแทนงขามือเท้าเป็นคนอาจจะเป็นเทวดาก็ได้หรือเป็นพระอื่นพระผมก็ได้ที่สุดทำตัวของเราเป็นพระเรียบคนก็ได้โยมทางนี้ฟงจักรเคยได้ฟังมา ก, ก่อนทางจากักรบาลเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสภาพสภาวะของคนทุกคนเหมือนกัน คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาและคนอินเดียที่พระพุเจ้าเกิดในประเทศอินเดียก็มีหน้าตาแข้งขามือเท้าเหมือนกันคนยุกนั้นก็กินข้าวปาอาหารเดินดินไปได้เหมือนกันท่านว่าต่อเมื่อยังไม่เข้าใจในชีวิตของเราคนต้องตอะแสวงโทบาอาจารย์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ให้ทานอย่างนั้นให้ทานอย่างนี้รักษาศีลอย่างนั้นลักษาศีลอย่างนี้นั่องภาวานาอย่างนั้นนั่งภาวนาอย่างนี้ก็ภาวนาบทนั้นภา NES, วานาบทนี้อันนั้นแสดงว่าเมื่อสมัย น, นั้นพระพุทธเจ้าประยุกต์มาย่งไม่ยังไม่ม ไ, ม ไ, มได้มีพระพุทธเจ้า ต, ต่อมาเมื่อท่านได้เจริญจะจะิตเจริญจมาทีเจริญปัญญาทุก ค, คนเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตัดแต่รูปเข้าะการทำํำทางจิตทางใจ พอเรีท่านได้จัดทะลุแล้วท่านคนมาแสดงทําให้พวกเราฟังเกิไม่ว่ามาแสดงที่เมือนไข่แต่คงจะแสดงที่มเมตตาที่เรือเพราะท่านอยู่ในเรือสักทั้งหลายเราตะขาโคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเราปฏิบัติตามอย่างเราตะขาโคตนี้ก็จะรู้อย่างเราตะขาโคตนี้ ก็จะเห็นอย่างเราจต่างคนนี้จะพ้นทุดไปได้อย่างเราจต่างคนนี้ท่านคอยอย่างนั้นแล้วบัดนี้เราถือศาสนาทริสต์แต่ไม่ชอบไม่ชอบทำตามแบบพระเจ้าเราก็เลยมาติดเพียงว่าเป็นประตูอันนี้ไม่ได้ห้ามนะแต่แนะนำว่าอย่ายั้งเท้าอยู่ที่นี่เพราะทุกคนได้ให้ทานมาแล้วทุกคนได้รักษาศีลมาแล้วทุกคนไ ม, คม่ มาแล้วไม่มาก่อนทุกคนได้เจริญที่พัฒนามาแล้ว ม, มาคนหนแต่ว่าเรื่องมาดูจิตใจของตัวเองซ้ัๆไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้วันนี้ก็เลยอยากแนะนําให้ทุกเจาพ่อของเราแม่ของเราเมื่อท่านดวงนับศักทันไปแล้วก็ตัวของเราไม่เป็นอุปดวงจิตจินงานของเรามีขึ้นมาได้กับท่านเองเมื่อเราลักท่านก็ต้องลักตัวเรา เมื่อเราคิดถึงท่านก็ต้องคิดตัวเราเมื่อตัวเราลืนตัวเราพอลุ่มท่านเมื่อตัวเราเกลียดเราก็ต้องเกลียดท่านเมื่อตัวเรามีมาามา ท, ทุกข์แม้ขนาไหนเวลาใดพ่อแม่เราที่ล่วงรับดับท่านไปแล้วก็ทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อใดเวลาใดแม้ขณะไหนวินาทีใดเราสบายใจท่านล่วงรับดับท่านไปแล้วท่านก็สบายใจตอนนี้ก็อยจะถามโยมแต่นิดเดียว โยมมีลูกหรือคนถ้าลูกโยมมีคนทุกโยมสบายใจไหมเนี่ยถ้าลูกโยมมีคนสบายใจโยมสบายใจไหมเนี่ยเส้นเดียวกันดังนั้นบิดามาดาของเราเนี่ยอบเหมือนกับตัวเราเมื่อท่านล่วงรับจับคันไปแล้วเราต้องตั้งตัวที่ใจคุณธํามที่พระพุทธเจ้าทำสอนเอาไว้นั่นอันนี้แหลสะสวะัสดการภูซาพระพุทธเจ้าได้เข้าตอกดอกไม้พูดเขียนหลาย จะหนาแน่นตั้งแต่พื้นดินนี้เพราะทางการณิทาผมท่านคนเยี่ยว่าไม่ซื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าคนใดที่จะบูชาพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องต้องปฏิบัติธรรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมนั่งแหน่งจอดการเป็นเป็นทางบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งกันเลยในการบูชาพระพุทธเจ้าคือบูชาใครปุ๊คือบูชาตัวเรานี่ล้วตัวทุกคนนี่แหละ สามารถที่จะทําตัวของเราได้ให้เป็นพระอริยสัจตนไม่ยกเว้นทีเดียวอาตมาเพื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นก็มีจิตมีใจเหมือนกันกับคนไทยมีหน้าตาลูบล่างสันฐานเช่นเดียวกันทําไมพวกเรายังมาปฏิเสธทุกวันนี้ว่าทำไม่ได้เพราะเพราะเราไม่ทํำนั่นเองเมื่อเราไม่ทำแล้วใครจะทําให้เราไม่มีใครทําแทนเราเลย ถาพรุธเจ้าเองท่านก็ทาแทนไม่ได้เพียงแต่ท่านแมวแมววิธีให้เราเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเรียกว่ า, ว า, า, ไ, วาไปทำกรรมาฐานแบบนี้หัวใจไม่เดียวถ้าไปทํากรรมฐานจะไปนั่งสมาธิคําว่าสมาธิก็หมายถึงอะไรเราก็ไปนั่งถ้าไปนั่งสมาธิแบบนั้นคนทั้งประเทศนี่เราจะมีข้าวกินไหมจะมีเงินใช้ไหม และจะมีตำรวจทหารรักษารประเทศชาติบ้านเมืองเราอยุโลดได้ไหมอันนี้เป็นการเข้าใจแต่ไม่ตรงแต่ความเห็นบางคนผ่านจะตรงอย่างนั้นตัวของอาตมาเองเข้าใจว่าไม่ตรงเพราะพระพเจ้าสอนให้ทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำการทำงานตามหน้าที่ท่านสอ น, นคำว่าสมาธิที่หมายถึงอะไรสมาธิก็หมายถึงตั้งใจทำงานทำงานผู้คิดแสวง บัดนี้เราก็ไปสมาทิพย์ก็ต้องนั่งทางใน เ, เข้าใจนั่งทางในทํางานได้ไหมทํางานไม่ได้เมื่อทํางานไมไ่ได้จะเอาอะไรมาใช้ใจ่ายกันอันนี้ขอให้กลับมาคิดตั้งต้นชีวิตใหม่กันว่าสมาทิพหมายถึงตั้งใจ ท, ทำตามทํางานพูดคุดตามหน้าที่ของเราเอื้นเป็นลูกก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของลูกเป็นบิดามารดาเมือพ่อแม่ เราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของบิดามารดาหรกพ่อแม่ของเราเป็นข้อเป็นเงื่อเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่คนใดปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแหละคือปฏิบัติพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าเอนอเท่านสาธวยว่าหากมีพระธรรมวินัยอยู่และมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ท่านว่ามรรคผลนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้ท่านสอนไวยอย่างไง และคิดถุก <AM _> <ฤ>พระวาชาญาณโยมใครก็ตามอยู่โดยชอบแล้วพาาระอนาคามิก็จะไม่วางจากโลกนี้เดี๋ยวนี้เราอยู่โดยชอบหรือหรืออยู่โดยไม่ชอบเราต้องเข้าใจนี่ศึกษาเรื่องจิตใจทูตอาตมาพูดดังนั้นทุกคนศึกษาได้เรื่องจิตใจอยู่โดยชอบก็จิตใจปราจากโธศาปราจากโธปราจากโธพระ เราจะจะรวมยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดนั่นเลยให้มีแต่จิตใจเป็นพระรโลหิตนั่นแหละคือพระรหัสท่านว่าดังนั้นถ้าหากว่าอยู่โดยชอบโดยจิตใจไม่หมกมุกเลยถ้าอยู่โดยชอบแบบไม่โกรธก็ได้โดยไม่ต้องโกรธนะี่นี่แหละเราไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานึกว่าตายแล้วจะไปไนิพพานท่านตายแล้วใครจะมาสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสวรรค์นิพพานแต่เมื่อท่านมีลมหายใจ ก็มากจะไหมเรามาสอนพันบอกตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้ว จ, งววจึงจะเอานิพพานอันนั้นมันเข้าใจอย่างไงไม่ได้ <c oughs> ที่อาตมาประถามเม่างา <c oughs> นใครต้องการตายไม่ต้องการพันถ้าไม่ต้องการตายแล้วจะไปต้องการทําไมอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องเอาสวรรค์เอานิพพานแต่ในขณนะเมื่อเราไปลมหายใจนี้เรามีความสุขวันนี้เรียกว่าเราได้สวรรค์เราไม่มีความโศก <c oughs> ความโลกความห ล, ลง เราก็เป็นนิพพานเป็นนิพพานทีละนิดทีละนิดพยายามขยับก้าวหน้าไปให้โทนโหรือโทสะโมหะโลภะลดน้อยไปนิพพานามาันก็มากขึ้นมากขึ้นที่สุดโทสะโมหะโลภะเกิด ข, ข, ข, ขึ้นไม่ได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาล้วนๆก็เป็นนิพพานสมบูรณ์แล้วโยมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะจะมาลูกคนอื่นจะเข้าใจยังไง <C oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่า ศัพทั้งหลายเป็นสถาบันไม่ใช่ศัพร์พุทธาสนาศัพท์มนุษย์นี่เองดังนั้นเมื่อคนใดเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่ถึแล้วควมสุขควมไม่มีทุกข์มีแล้วในผลทุกคนไม่ยกเว้นตอนนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเม็ดดวงจัจทร์เนี่ยไม่ให้มีแสงสว่างเลยมืดหมบวันหมดคืนี้คนไปไหนมาไหนไม่ได้อดอยาเม็ดเมยเมล่า ก็ต่อมาก็มีพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นพระพระพุทธรูปจิตเห็มเดินพูนก็ตามจัะเป็นพระทองพระแก้วพระอะไรก็ตามเนี่ยจะเหาะไปเลยเหาะไปรวมที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีศูนย์กลับเกิดขึ้นแล้วไปถึงที่นั้นที่ ท, ท, ที่นัดหมายกันนั่นแหละแล้วก็เลยรูปที่เป็นวัตถุนั้นเแหละจะสลายเป็นพรีออกไปทัง้งหมด ดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นแหะเท่ากับเมล็ดนาเท่านห้ น, หนบัด น, นี้เมื่อดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้เาจะมารวมตั ว, วันเข้าเป็นรูปของเจ้าชายเศรษฐีทักษะคมาจะเปิดโลกไว้ให้คนรู้จิศทานเบิกไปที่ไหนตัวใครได้คนใดได้ไปฟังธรรมะในขณะที่พระพุทธเจ้าจแสดงธรรมอยู่ทุกทันคนที่มีสติมีปัญญาพอสมควร ได้เป็นพระอรหันต well, ์ในขณะฝังธรรมะอยู่นะคนนี้แล้วคนใดมีปัญญาตาา่าลงมาก็เป็นพระอนาถันคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นพระปฏิหาคนคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นพระโสดาคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นมนุษย์คนใดปีปัญญาต่าลงมาก็เป็นคนธรรมดาธรรมานี่เองดังนั้นการฝังธรรมะนันอย่ากขึ้นฟังให้เอาไปฝังให้เกิดปทณปัญญาฝังแล้วเอาไปใช้ได้กับชีวิตของเรา ดังนั้นเรื่องสวรรค์นิพพานนั้นมันไม่เป็นทางขอร้องพุทธศาสนานี้สอนไม่ให้ขอร้องอ้อนวอนต้องทําเองรู้เองเข้าใจเองเพราะว่าท่านสอนไว้ดีแล้วอย่างที่พทะมีสองประเภทอาตมาจะเล่าสู่ฟังเพราะว่ามักแตกเราเคยกล่าว่าสัมม า, ม า, มาทิฏฐิสัมมาสัพพะสงสัมมาสมาทิฏฐิมักแตกท่านนั้นเอะไ้ก่อน เรามาศึกษามรดโดย ย, ย, ย่อๆเลยว่าสีู่แปดบุรุษสีู่แปดบุรุษเศรษภาพัะโตสาวระับังโงนั่นแหละสงสาวกของพระอุปถัมภเจ้าอาหัเนยโยปาเนยเป็นภาษาไทยค ว, วรภูตาควรเขารบควร น, นับถือคำว่าสีู่แปดบุรุษไ่เข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราว่าข้าโซดาห์นะข้ า, าโซดาห์ฝ้าจกรา า, า น, นี้มาก พระปกปารามีคนพระอนาคานีมกากพระอนาคานีคนพระอัลกันตามากพระอัลกันตานี่คน่้าแปดมือโยมเป็นได้ทุกคนสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่ไ WOW. ด้ตํำทางคนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสากลไม่มีใครจะสมวนที่ขัดติดไปได้ก็ขอให้เพลิดเพลินทำตามควรเป็นจริงและนำไปใช้ได้ทุกคนที่อาจารมาพูดมาในก่อนดูมันเท็จ อาจจะเป็นสามสิบนาทีพอเทปจบไปแล้วม ห, หน้าหรือาจจะมาบอกคิดว่าพูดไปมากแล้วโยอมก็คงจะกดจําไม่ได้จะ แ, แนะแนววิธีให้โยมได้ออกใจกับชีวิตของโยมไปไหนมาไหนปฏิบัติขับมาได้ปฏิบัติเป็นเจ้าใดข้าพเจเจ้าคือคนธรรมดาอย่างาเขาก็ทะลุหมอกไปไม่ได้เออเรานี่แหละไปฟังเทศน์ฟังธรรมคือรับเฉพาะลูกคันนี้นี่แหละมีดวงจิตกิญญาจะรู้ได้ เข้าใจได้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าเราไปติดทำคำหนึ่ง <c oughs> เราจึงทําม่ได้ตเครื่องฟังภอาไวจาจะมีส่วนแบง่งได้รับจากาพระพุทธเจ้าว่าัท่างหลายจงมีส่วนแบง่งบุที่ข้าพระเจ้าเบ้ากระทำลงไปแล้วในบัจจุบัเราไปคอยรับส่วนแบ่งจากาพาระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมะขยาหรือญาสิคธรรมคำ น, นั้นมันเป็นการเข้าใจผิวผิวพอให้เข้าใจว่า บัตทั้งหลายตรงมีส่วนแบน่งกับเราจะขับพุได้บัตรทำไปแล้วในบัตรนี้นะให้เราเจริญสติเจริญสัมปชะเจริญปัญญาดูจิตดูใจนี้จึงจะมีส่วนแบ่งจากพระพุทธเจ้าจะ้รู้อย่างพระพุทธเจ้าจะหมดทุกไปจริงจริงรับลองว่าพระพุทธเจ้าพูดตรงๆแต่พูดน้อยที่สุดอันนี้อ า, าจจะมาเข้าใจบัตโยมที่คนพอที่จะทําได้วันหนึ่ง เดารู้สิตัวเองพอดีวันหนึ่งรู้สองครั้งวันมึงรู้จากติดครั้งวันมึงรู้จากร้อยครั้งมันเป็นผลอย่างที่พูดว่าเราพยายามลดกังวลลงลดลงทีละนิดทีละน้อยถ้าลดกักวลได้หมดแล้วก็เป็นนิสัยอันนี้กว่าถ้าเรามีสติอยู่โดยชอบก็แสดงว่า อารมณ์นั่นจะไม่วจ า, ากหลนีว่าใคมีฟู้งเฟบุรุนี่แเป็น ส, มสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงไม่พรากจิตเลยท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมาทั้งฟังธรรมะอยูสถานที่นี้หาตมาขออา้าอบของพระพุทธเจ้าและพระธรรมค ำ, ทำทสอนขอ ง, องพสะส ร, ระพุทธเจ้าและุปของพระนางาสาว่าพระจะมาตัวมือตใหญ่อบตัวเราทั้งหล า, หายหาให้พวกเราทําหลาย ได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาดูสภาพภาวะของจิตใจรู้ชีวิตของเราที่ไม่มีทุกนั่นแหละขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในชีวิตของทุกท่านทุกคนอวันนี้เป็นหงครับ ต้อไปเรืยเพื่อมีคนต้งการแบีจักเมื่อเราไปโรงพยาบาลมีเรื่องอะไรเกี่กับโรงพื่ออะรู้จักอ่้ถ้าหาไม่รู้จักอย่างนี้อยากไม่รู้จักคุณค่าของวาเป็นสุขทุกคนบางคนบ่นมันมีค er, ่ามาก ไเป็นกฎระเบียบกาจะไม่มีเราเขากควรเป็นคนให้รู้จักหลายสิ่งการพทรตรงคนนั้นให้รู้จักคุณค่าหลายอย่างพ่อนที่จะเป็นคนได้ต้กขึ้นมาเป็นคนเพราะเรื่องต้องรู้จักคุณค่าของบิดามาบ้านเนี่ยพอเลือกรู้จักคุณค่าของแม่เมื่อตรงคนขึ้นมาได้ ให้รู้จาดนมีค่ามากเลยยขึ้นมาแล้วไปโรงเรียนรงเรียนมีค่ามากเและยดขึ้นมาไเป็นเลนเป็นพระให้รู้จักคุณค้าของควมเปครับมีคุณค่เมื่อมีครเหตุไข้ได้ป่วยมาเราไปโรงพยาบาลเพื่อเพื่อเงือเลง้เขาถ้าไม่ไปโรงพยาบาลถ้าไม่เอง ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยโรงพยาบาลเลยนะถ้ามีโรงพยาบาลหมอที่ดีอีกแล้วแบบนี้คนผุดผ้าได้หวยใช่ไหเหมอก็ไม่รู้จักให้ยาละข่าโลดใช่ไห่ไ้จุกให้ยาสมทุกตาเลยตอนนี้นไปเลยถ้าหมอที่เดเขาต้องตรวจเช็กให้มันเดแล้วก็ให้ยาละข่าโลดเพราะเราไปวัดก็เช่นเดียวกันเราไปวัดเพื่อไปผุดผัดบัดรทิศเส นั่นเป็นมีคุณค่าราคาอย่างถ้ามีแต่ว่าก็มีนะเว่าเป็นที่ระลึกถ้าเข้าไปคูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นแหละเรียกว่าสมทานเจ้าวาดเมื่อมีสมทานระหมีร้อมสมทานคนเมื่อตั้งเจ้าวาดขึ้นถทวันลองเจ้าวาดเมื่อเจ้าวาดและลองเจ้าวาดมันไม่รู้จักธรรมะที่จะไปให้คนที่มาวัดเนี่ยเรียกว่าผู้รัพ นันก็ไม่มีลหลักธรรมาอะเพ่าที่ควรถ้าหาให้ธรรมะไปเป็ที่ไม่ถูกต้องโ ล, โลกโลกก็เดือดร้อนลกก็เดืดร้อนถ้าหาว่าพระสงฆ์เจ้ารลวเจ้าเอาว่าเลื่อวรองเดี๋ยวใครใครก็ตามแหละดูในวัดเพื่อโยได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองน ะ, พโโนงะเพื่อโยนคำว่าเพื่อโยนเพื่อตัวเองเนี่ย ถ้าหากไม่ม <die> ีสำเพ็จต่อไปก็เอาใจใส่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเด็ถ้าหากโยนมาเพื่อโยนจริงๆจะมีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้แต่แนะนำสอนในทางที่เหมาะผูดควนเพื่อไม่ให้บวกร้อนตัวเองและไม่ให้ดร้อนสายผมอันนี้เป็นหน้าที่งวัดตั้มลงมาก็โรงเรียนโรงเรียนคนที่นไม่เคยเรียนหนเงสือตัวเองเขาไม่เคยเรียนหังสือมีทางเกอื่น สมัยหรวงพเป็นไม่ม um. ีโรงเรียนไม่รู้นังอไทยนหนังสือไทย่เพูดอาษาทียวไม่เพพูดอราะปานร่ถ้าพูดเป็นภษาเมืองในรือเป็นด้ลดังนั้นจึงว่าพูดทาสาทางเพื่อดับขวดบ้างเป็นการถถ้าหักไปโรงเรียนอันนี้ยังไม่ได้พูดเพืพภาของเด็กมาดังเพื่อต้องการเรียนหนังสือ อยากไม่หนังสือได้นหนังสือแล้วจะเอาไปทําอะไรเมื่อเราจะเจ ข, ขียนบทความหรือจะไปหาเพื่อนนังดางานเรียนลมเรียนาอย่างนั้นหรือจะไปทําการทํางานทางข้าราชการหรือบริษัทข้างร้านต่างๆอะไรก็ตามในหนังสือจําเป็นต้องเป็นหนังสือให้ได้มันทีบางคนเรียนได้มาแล้ว <c oughs> อหนึ่งข้สองหรือข้อสี่ในสมัยที่อาตมาัเป็นเป็นโยมก็ยังไม่เข้าแต่ไม่ใช่ใเป็นเด็กไม่รู้เน่ะเขาก็เลยเป็นครูได้เป็นครูแล้วก็ไปสอนนักเรียนต่อไปไปเพื่อสอนเอาเงินหรือไปเพื่อสอนให้นักเรียนูีขึ้นเราต้องรู้จักเป็นอาของมันไม่รู้จักเป็นอาของผมเป็นคนบัดนี้ต่อมานักเรียนก็เลยพูดว่าไม่ใช่ครูสอนเพื่อจะให้รู้เขาสอนเพื่อเงินบื้อง แต่นยัอันนั้นเพราะเธอไม่รู้จักคนพาของสมผลค น, ค น, คนไม่รู้จัก เ, เลยอันนี้เลยเป็นคนหรือเป็นหน้ารตาสุ้สาแขนหามือเท้าสมผลแต่ไม่รู้จักคุณภาพ ข, ของควมรู้ที่เราได้มานั่นแหละไม่รู้จักอันนี้เลยเราเป็นคนอย่างนี้แต่ไม่รู้จักว่าเอาควมรู้นั้นไปใช้ให้มันถูกต้องนี่ปัญหาหมัอนอยู่ที่ตรงนี้เองดังนั้นเข้ามาวัดก็ต้องศึกษาที่ตรงนี้ พระงฆองค์เจาก็ศึกษาที่ตรงนี้ญาติโยมก็ศึกษาที่ตรงนี้หมดธรรมะที่็ดอันเดืวอวกันเท่านั้นไม่มีสองอันสามอันในเลยศึกษาลงให้ล้วมเป็นคนเนี้ยคุณค่าของความเป็นคนให้ลึกไม่ได้บอกไปทํางานบริษัทเพื่อนึงเล็กกว่านี้นถ้าไม่ได้เงินก็ทํางานนม่ได้บริษัทห้างร้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องต้องการคนมีความรู้ต้องการคนมีควมรู้และเพื่อไปทํา ขาดในต่างๆนั่นแหละเขาจึงให้เงินเดือวบัด น, นี้เป็นครูโรงเรียนก็เช่นเดียวกันเขาต้องเอาความรู้ไปสอนแล้วให้นักเรียนมีคมรู้วาต้องรู้รจักอะไถ้าหากบริษัทห้างร้านต่างๆถ้าหากว่าผู้บริษาารัทตางงานนั้นไม่สลาด บ, บริษัทกนโนม้มทัำดีครูโรงเรียนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่สลาดสอนนักเรียนนักเรียนก็ดีขึ้นไม่ได้จริงถ้าเป็องค์เจ้าบ้าน พระสงองค์เจ้าปรเทศเดียวกันถ้าหากว่าไม่รู้จักในการกระทำและในการพูดในขณะที่ทําในขณะที่พูดวัดนั้นก็จะเลยนไปยากและบัณฑิตโรงพยาบาลประเทศเดียวกันเมื่อคนป่วย่ายได้ป่วยเข้าไปโรงพยาบาลแล้วไม่ ว, ว่าผู้อํานวยการรือผู้แต่งากและหมอที่ให้ยาและพยาบาลนี้ยต้องรู้จักที่แต่คนดังนั้น ขับมาพูดทะลุ่งดิ d a n าคนเราเกิดขึ้นมาได้เพราะมีพ่อมีแม่มั่นกองพ่อแม่ธรรมดิ Dana ในสมัยของพ่อแม่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะลูกจันมาแล้วเขาเรียนให้ลู้จักคุณค่าของพ่อแม่เหรือให้ลูกจับคุณค่าของดา d a ร a ก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนนียากแสนยากบางคนแทนมาจากในครองเยอตายมาจากในครองเนี่ยไม่รู้เรื่อง บางคนหลุจักคอแม่มาตายเลยกรณีนี้บางคนเกิดออกมาได้สองวันสามวันตายไปก็ณีนี้บางคนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายแไปก็ณีนี้บางคนเกิดขึ้นมาเป็นชาวบ้านเรืเ่อยๆตายไปก็ณีนี้บางคนเกิดขึ้นมาอนยุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายนอนเอาเหมือนกั น, กนทุกคนความตายจิตวิาแน่นอนที่สุดแต่ีวิต น, นั้นแหละเราควรศึกษาให้รี้ เมื่อเกิดส่งคนอายุไม่เหยิงสามปีสี่ปีพ่อแม่นำไปโรงเรียนอยากให้ลูกเรียนหนังสืออยากให้ลูกมีความรู้เมื่อลูกเรียนหนังสือลูกเรียนความรู้ขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่สบายใจอันนี้แ น, น, นี่เป็นเนื้อเป็นนให้เรารู้จั ก, จกเมืองสวรรค์นั่นกคอเร่มนุษย์นเองเนปทานก็คือเรื่องมนุษย์นี่เองนั่นลกก็คือเรื่องมนุษย์นี่เองอันใดอันใดคำว่าอะไรนะครับเด็กคนไม่ถือ เราอะไรอะะอะไรอะไรดูเหมือนมนุษย์แท้เลยแต่เราให้ศึกษาควมเป็นคนแนะศึกษาควมเป็นมนุษย์แนะศึกษาควมเป็นเทวดาแนะศึกษาควมเป็นสิ่งสูงส่งแนะศึกษาที่ศึกษาวมเป็นอริยชนทั้งสลาดังนั้นไปวัดเด็กๆก็ตามคนแก่ก็ตามทั้องอาศัยในต่างปะเทศ ถ้าหากปลาจะจากการตังเทศไปแล้วความสลาดจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของหนูไปวัดก็ไปเอาบุญบุญก็เลยไม่รู้ว่าบุญคืออะไรมีลูกหลานนักศะสนาสันขามอย่างไรไม่รู้เลยตัวของผมเองเมดพ่อละตัวของลวกพ่อเองรู้ตัวขอ ง, งขอา ต, ออ ต, ออตอมาเองไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเกิดมาเป็นคนเพื่อพ่อแม่ ไม่ให้ควมพอใจเกิดไม่พอใจหาว่าพอมีเครียนฟังเราไปเสยเลยท่นนี้เถอะไม่รู้จักคุณภาพขององค์เจนคนไม่รู้จักคุณภาของบิดาหน้าที่ของลูกต้องให้อภัยใจบิดาหน้าที่ของบิดามาระาให้อภัยแก่ลกหน้าที่ของครูเรียนต้องให้อภัยแก่นักเรียนหน้าที่ของนักเรียนควรให้อภัยแก่ครูสามัญ หน้าที่ของรัฐเราควรจะไว้าะอยูันยเราจะชิงกันังหน้าที่ของสมภารต้องให้กัายโสดิติหน้าที่ของติกต้องให้กัยเแรตอาจารย์แนี้โรงพยาบาลเสื่อเสียต้องให้กับสายช่วันดูช่วยกันแช้ให้ดับสนิทจึงที่ายให้มันดีขึ้นมาเหมือนกับุีดามาลูกเรียนหนังสือดีไม่ทางานดีรอแม่สบ เรืเรียนหนังสือไม่ดีทํางานไม่ดีควมีไ ม, ม่สบายใจอันนี้ให้ดูสนนินั้นเนื้อคนไม่จิงว่าเป็นศูนย์กางเป็นศูนย์รวมของโลกโลกไม่ใช่ดินกว้าอากาศภายในรับอันนั้นมันกเป็นโลกดินกว้างอากาศมันก็เป็นศูนโลกคือมูสัตหนังสืองโลกโลกคือดินกว้าอากาศโลกคือมูสัคือมูสัตที่อาศัยอยู่กับโลกอันนี้ก็คูอเหมือนกันแต่เราศึกษาน้อยเกินไป นี้เรยกว่าคนเน่ยไม่เข้าใจว่าโลกเป็นศูนย์ามคือคนนี่เป็นโลกสถิติหนึ่งมีู่โลกจุดหัวปวดท้งเนี่ยโลกไอพีวาโลกอะไรต่างๆมีอยู่ที่ไหนคนส่วนโลกคือคนโลกคือมเสกที่อาศัยอันนั้นกระตกเหมือนกันโลกคือดินเจ้าอากาศอันนั้นกระตกเหมือนกันโลกนี้ไม่เคยโลกมาเลย โลกคือตัวผลไม่เทโลหรืออายุสี่สิบปีรู้เรื่องนี้จึงจะพูดเกีเรื่องเบียร์ฟันเรื่อง เ, เอานั้นพูดได้แปลว่าใจตัวเองมุดแล้วอ่ะดับพูดเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเรื่องนี้ถ้าหาว่าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้โลกมันเกิดมีวนสัส่งผล